75. ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วจะได้รับความสุขวงเล็บเปิด 1. 25กรกฎาคม2551ดในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดดีนะมาศึกษาธรรมะเอาไว้จะได้หาคำตอบให้กับชีวิตตัวเองได้เกิดมาทั้งทีเกิดมาทำอะไรคงไม่ใช่เกิดมากินกินนอนๆอนมีลูกมีหลานแล้วก็ตายเกิดมาแบบนั้น nonsense ในวงเล็บ ไร้สาระเกินไปมันไม่ต่างกับสัตว์อื่นๆสัตว์อื่นๆมันก็เกิดมาเพื่ออย่างนั้นเพื่อกินเพื่ออยู่เพื่อสืบพันธุ์ชีวิตมนุษย์มันไม่ได้ต่ําต้อยขนาดนั้นเราเกิดมาแล้วเราศึกษาศาสนาพุทธแล้วเราจะรู้ว่าเรามีหน้าที่ในชีวิตมีเป้าหมายของเราเป้าหมายในชีวิตของเราคือเราต้องมีชีวิตแบบที่ไม่ทุกข์ได้ทําอย่างไรเราจะมีชีวิตแบบไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าสอนวิธีการเอาไว้ให้แล้วถ้าตัวเราศึกษา วันหนึ่งเราจะมีชีวิตแบบไม่ทุกข์ถ้าเริ่มศึกษาก็ทุกน้อยลงน้อยลงคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อสม่ำเสมอในเวลาไม่นานประมาณเดือนหนึ่งความรู้สึกนึกคิดก็เปลี่ยนแปลงไปเคยทุกข์มากๆก็ทุกข์น้อยเคยทุกข์นานนานก็ทุกข์สั้นบางคนก็มีความรู้สึกเหมือนตัวเองได้ชีวิตใหม่เหมือนเราเกิดใหม่เราเกิดมาครั้งแรกเนี่ยเกิดมาจากพ่อจากแม่เรามาเกิดครั้งที่สองด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าเราเป็นลูกพระพุทธเจ้า หลายคนพบความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างรวดเร็วเลยเคยเครียดมันก็ไม่ค่อยจะเครียดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตั้งหลักได้ตั้งสติดได้ฉะนั้นถ้าเรารู้จักศึกษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านให้ไว้ชีวิตเราจะมีความสุขความทุกข์มันจะค่อยๆน้อยลงน้อยลงใช้เวลาไม่นานถ้าภาวนามาหลายปีแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตทำผิดนะต้องทำผิดแน่นอนเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้า ท่านบอกธรรมะของท่านเป็นธรรมะของมหาบุรุษเป็นธรรมะของผู้ยิ่งใหญ่ลักษณะประการหนึ่งของธรรมะของมหาบุรุษคือได้ผลเร็วไม่เนิ่นช้าเราจะพบความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างรวดเร็วถ้าทามาหลายปีแล้วก็เหมือนเหมือนเดิมแสดงว่าทำผิดแน่นอนไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้ววงเล็บเปิด 2, สสิงหาคม2551ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิด ศึกษาธรรมะนะแล้วเราเปลี่ยนจากคนทุกข์มากก็เป็นคนทุกข์น้อยจากทุกนานก็เป็นทุกข์สั้นฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าศึกษาแล้วเราจะได้รับความสุขมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งเรียนรู้ทุกขยิ่งมีความสุขหลวงพ่อก็ทําหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าสั่งนะท่านสั่งพระสาวกให้ประกาศ ธ, ธรรมะที่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในเบื้องปลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของมหาชนจํานวนมาก ตอนนี้พวกเราจำนวนมากเลยได้ฟังธรรมชีวิตจิตใจพวกเราเปลี่ยนไปเรามีความสุขที่ตัวเองรู้สึกได้คนรอบตัวรู้สึกได้วัดหลวงพ่อเลยมาเป็นครอบครัวนี่เยอะมากเลยเพราะว่าฝึกไปแล้วมีความสุขนี่ของดีที่พระพุทธเจ้าให้เราเอาไว้นะพวกเราคนไทยน่าเสียดายมากเลยส่วนใหญ่ละเลยไม่รู้ว่ามีของดีอยู่กับตัวนี่พวกที่ได้โอกาสได้ฟังธรรมนะชีวิตจิตใ จ, จเปลี่ยนมีความสุขซึ่งซึ่งหน้านี่แหละ ไม่ใช่รอแล้วเอาไว้ตายไปชาดหน้าค่อยมีความสุขไอ้นั่นมันธรรมะอนาถาไปหน่อยต้องมีความสุขในปัจจุบันนี้ให้ได้ต้องพ้นทุกในปัจจุบันนี้ให้ได้ถ้าพ้นทุกในปัจจุบันไม่ได้ยังไม่ใช่ธรรมะที่ดีนักหรอกไม่ใช่ทาบุญไปเรื่อยๆนะแล้วชาดหน้ารวยรวยแล้วมันมีความสุขเหรอหลวงพ่อก็ไม่เห็นว่าคนรวยมันมีความสุขฉะนั้นฝึกในปัจจุบันนะ